เอาหน้าอย่าซีเรียกเรื <chat> ่องเท่าท <one> ุนแกนกับเพื่อนโชคดีแต่หัววัน อยู่ๆก็เจอลาพลัดหลงมาตัวหนึ่งทั้งสองกำลังร้อนเงินอยู่พอดีจึงตกลงให้แกนจุงลาไปขายที่ตลาดระหว่างทางพบชายคนหนึ่งหิ้วปลามาสองตัวชายผู้นั้นถามว่าพี่ชายลาตัวนี้จะขายไหมขายสิถ้างั้นพี่ชายช่วยถือปลาให้ผมด้วยผมมจะลองขี่มันดู ถ้าถูกใจจะค่อยมาตกลงเรื่องราคากันชายคนนั้นขี่ลาวนอยู่หลายรอบยิ่งวนก็ยิ่งไกลออกไปทุกทีจนหายวับไปแกนรออยู่นานก็รู้ว่าถูกหลอกเสียแล้วจึงได้แต่ถือปลากลับไปเพื่อนเห็นเข้าก็ถามว่าขายลาไปแล้วใช่ไหมอืม แก่นตอบขายได้เท่าไรขายได้เท่าทุนแต่ปลาสองตัวนี้เป็นกำไรคนเรามักจะเสียใจทุกครั้งที่สูญเสียอะไรไปโดยไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเราเสียใจที่เงินหายเสียรถเสียบ้านแต่เรามักลืมไปว่าที่จริงเราแค่เท่าทุน เราไม่ได้ขาดทุนหรือสูญเสียอะไรไปเลยเพราะแต่เดิมเราก็ไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นมาก่อนมีแต่ตัวเปล่าๆ เ, เท่านั้นนึกให้ดีๆออกมาจากท้องแม่เรามีอะไรติดตัวกันมาบ้างหรือเปล่า